เป็นวันพระพิเศษเป็นวันคล้ายวันพระสมพบสมเด็จตนานเจ้าราชินา <c oughs> ที่เราทั้งหลายเรียกว่าวันแม่เรียกว่าแม่ของชาติจุดเคารพุดบูชาและปฏิบัติท่านสาธุชนทั้งหลายจึงได้ที่โอกาสมาปฏิบัติธรรม มังเพลนบุญมาเป็นกุศลให้เกิดปิดามันดาหรือว่าวันแม่เป็นการกรวาดเป็นแต่กุศลด้วยและเราก็ได้บุญโดยกุศลด้ว ย, ว, ยวันคล้ายวันละสลาดสมภพของสมเมด็จพระนางเจ้าญาติโยนก็พากันมามาก <c oughs> แต่ขอเชิญพรว่าวันแม่่ คือวันที่ลูกกตัญญูตระเวทีก็อคุณแม่ดามานดาที่ใดเลี้ยงดูมาหน้าบัดนี้สัวนว้ำออกเป็นประโยชน์ต่อพิพนหมายถ่งน้อยพยายดวมทั้งหลายฟังธรรมบัญญาตในวันสะนี้ก็อามือลงได้มาตองอามือนั่งการสบายเห็นพลิกไปพลิกมาหลายเชือ ก็เมื่อยนะนั่งตามสบายนั่งฟังให้สบายถ้ามันไม่สบายเนะก็นอนฟังได้เป็กนกรณีพิเศษวันนี้เป็นวันชาติพิเศษด้วยขอจเจริญพรอ่ะวันลำแม่แห่งชาติก็ขอให้เราทุกคนไดถึงแม่ทุกคนต้องมีแม่ให้กำเนิดเกิดมาด้วยกันทุกคน แล้วยังมีแม่บ้านการเรือนแม่ศาสตร์แม่แบบแม่แพนอิกด้วยถ้า <c> เ <oughs> อาสมนึกได้ถิ้งเหตุผลของแม่แล้วก็บำเพ็ญบุศสให้เราก็ได้บุญด้วยแม่ในที่นี้มีหลายอย่างเราอยู่ได้เพราะัาตุทังสีเราอยู่ได้ด้วยอาการฐามที่สอง แห้เราอยู่ได้โดยบุญกุศลที่เรามีบุญกุศลมาแต่คนที่ไร้บุญกุศลแล้วคนนั่งเห็นจะมีโอกาสที่จะเกิดมาครบถ้วนเพราะอาการทั้งสองได้บางคนก็ไม่ได้อะไรที่มีประโยชน์ในที่ิตเข้าหลงนั่นก็ไม่ใช่นอยเหมือนกัน การคนที่มีกระตานูตเวทีตอ่อคุณพ่อคุณแม่น้อยมากลูกใหม่ใช่ไหมไม่มีเลยบิดามันดาคือพ่อแม่ เ, เองทา ม, มีกระตานูกระเตบกระตเวทีแล้วแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระเกริงกุศลภาวนาได้ามากในผลเกิดขึ้นกับตนแล้ว มีบุตรชิดาดีหมดจะมีบุตรสาวบุตรชายก็ดีหมดจะร่ำเรียนการวิชาก็สาเร็จหมดอยู่ตรงนี้เป็นข้อที่ต้องคิดต้องพิจารณาแล้วการเจริญกรรมาฐานเนี่ยการเจริญสติปัฏฐานสิ่ก็คือการบาเป็นสิ่งให้สิ่งแน่ปนิทอยินจิต ใ, ใจของเราตลอดไปจนชีวิตชีวิษา ม, ม่ ในการที่เรามารับถึงกับรัรับแผวปากรับได้แต่จิตใจไม่ยอมรับจิตใจก็ไปทําบาปทําด้วยแสดงออกซึ่งกายและวาจาใจเป็นบาปเป็นกรรโดยไม่รู้ตัวอย่างนี้ถือว่ารับหือปากแต่การที่ท่านทั้งหลายมาเจริญสัตวธรรมฐานเจริญสติกิริยแสดงว่าท่านมามาเป็นสิ่อย่างแพท้จ สิงแปลว่าปกติปก ต, ต, ติตัวนี้แปลว่ามีสติสัมปชัญญะตัวกำหนดจิตเรียกว่าตัวศิงห์กำหนดจิตให้ควบคุมจิตได้ด้วยสติสัมปชัญญะศิลห์ก็เป็นการปกติให้กับชาติอันทั้งหลายจะอ่อนน้อมถ่อมตนทำมีระเบียบ ม, มีวินัยเรียบร้อยเรียบล้อมทุกบริบูรณ์ทุกอย่างมีทั้งมาลายาดแล้วก็เป็นชาติดีแล้วก็มีสินงธรรมครบ คนนั้นจะมีแต่ความเจริญในชีวิตก้าวหน้าตลอดไปไม่มีความ ล, ากลักหลานแต่ประการใดความเจริญในชีวิตมีแสนจะยากทานสาทุโชนทั้งหลายเราจะเจริญในชีวิตลุงเรืองนั้นต้องใช้มรคมันคาคือเบอิดบุกเบิดด้วยถ้าตาสย์นาคือสติปัญญานสิสิเอามาบุกเบิดัึงกฎเวลาจอนของชีวิตเดินทางไม่พลาดติดในนาคตต่อไป อัานจะพบของดีในตัวของท่านเองเพราะฉะนั้นการเจริญสติปัฏฐานสี่นั้นเป็นการเจริญให้รุ่งเรืองเจริญแปลว่าตามรอยุคนระบาดของตุเบตพระธรรมาริเจ้าทำให้เรามีมีจริยะและความเจริญรุ่งเรืองในจิตใจจิตใจเราก็ดีจิต เ, เราก็มีปัญญา จะคิดอ่านอะไรก็ดีหมดการคิดหนอคือฉลาดคิดการกระทาทุกอ่างก็มีการฉลาดทมจะพูดจะพาทีก็ฉลาดพูดต้องมีศีลมีสัมส์มีกัลยาณมิตรมีกัลยาณธรรมในตัวเองโดยเฉพาะเรียกว่าปัจจตังรู้ได้เฉพาะตัวเองเท่านั้นคนอื่นหารู้ใหม่คนอื่นไม่รู้ การเจริญประกรรมาฐานต้องการให้มีสตินั่นเองต้องการให้ศีนแนบสนิทอยู่ใน จ, จิตใจตลอดชีวิตถามไม่ถ้าเรากําหนดขึ้นมามาไรยฉันก็มีศีนมันนั่นการหายใจเข้ารู้หายใจออกลู่ห้องหนอลูกหนอตลอดเลยาตามันจะมีสติปัญญามันจะรู้ว่ามีศีนประจําตัวเราสเวลาจารวาสสวยงามจิตใจก็ดี อารมณ์ก็ดีจะทำอะไรก็ดีหมดเป็นผู้เฉลียวฉลาดสามารถจะคิดอะไรก็สาเร็จจะทำอะไรก็สาเร็จจะพูดอะไรก็มีสัจจะเมตตาสมถีมีวินยัยมีความหมายอย่างนั้นคนที่รับสินท่านจะเห็นสาธารณพิธีผู้ทั่วไปงานศพก็รับสิน ง, งานทอดปรปาก็รับสิน ง, งานทำบุญบ้านรับสิน รับท้นั้นแต่ขอเจริญพรถามในที่ประชุมนี้ว่าปากรักยาเฉดใ จ, ใจไม่ยอมรับจิตใจท่านขาดสติแล้วก็ว่าไปให้กล้องปากปานาติป า, า, ปาตาเวรมานีกันตนงดเว้นในการข้าสัตว์แต่เพราะปากก็รับไปอย่างนั้นตาเพราะท่านปฏิบัติธรรมะปฏิบัติกรรมฐานคือมีสิ้นประจําใจ สติตัวนี้แปลว่าศีลาจลวัตมารยาคันงามสัมปชัญญะ แ, แปลว่ารู้ตัวรู้ทั่วรู้แก้ไขรู้ปรับตรงตัวเองให้เข้าสู่ในภาวะของศิ้นสินก็มีตลอดไปท่นปานรับภาณติบาตรแล้วท่านยังกลับไปฆ่าสัตว์สัตว์ชีวิตใจำำมเอามาหิเขี่ยโหราลูนดุได้ขาดขาดตัวเป็นจั่งสายได้ยดับโดยง่ายได้เพระเห็นใดเล่าเพราะึิท่านมีสติไหม ไม่เคยเอาจิตรับเอาปากรับปากรับอะไรรับสิเอาินาธานาเวรมันปากรับใครก็ว่าได้ใครก็รับได้สิแต่ไม่เคยปฏิบททัติธรรมไม่มีธรรมะไปจําใจคาแค่ติธรรมาญญานะัมะชัญยะเนี่ยคือตัวธรรมะเลยก็สามารถจะรับขโมยโจรกรรมได้ง่ายเสร็จของได้ก็ไม่อยากจะคืนก็้ของ ออกมาอย่างนี้ชัดเจนอย่างปานาติปาตาเวรังมนันอยนี้เรางดเว้นในการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตและฆ่ามนุษย์ในการเล่นนอกขั้นก็เพาะมีอะไงหรือตอบไ<อ>ด้ทันทีเพราะท่านมีสติคนที่มีกําหนดติตมีสติควบคุมจิตได้นั้นจะมีแต่เมตตามีแต่ความเชื่อถือในชีวิตเมตตา และมีสัจจะจะพูดอะไรก็พูดจริงทำจริงฉลาดคิดฉลาดทำฉลาดพูดทุกระกาบแสดงออกมาด้วยสินเป็นคนปกติตลาดเลยตานจะเดินเดินนั่งนอนจะเลี้ยวกายแลขวาพู้จะเด็เดาาวขว า, ดขามีสติสัมปชัญญะนั่นคือตัวกรรมฐานกรรมฐานคือปฏิบัติธรรมในธรรมะปฏิบัติให้ชีวิตนี้ลำโลอ่า ลำเลื่นร่วมเลื่อนตีไปดกหยิบดกคนใจสินมีกับตัวเราแล้วตลอดชีวิตท่านจะมีแต่ความสุขท่านจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองท่านจะไม่ทะเลกกาะกันในบ้านนั้นบ้านนั้นมีสิ่ทรงศินทรงธรรมมีกาลยานมิตรมีกาลยาณธรรมมีแต่ บ, บัณดิตในบ้านนั้นท่านมีอัญมณีแต่ประการใด บานนั้นจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาตสถาพรตลอดการประวัศาร์แน่นอนเพราะปากรับเนี่ยใครก็รับได้ระเบงเสียงรับกันตายปานาอธินาตามเมวะกัาแต่รับแล้วก็ไปทำบาปรับแล้วแล้วก็ไปล่วงและเมิดศีลโดยขาดสติไปรักขโมยคะไปแย่งครับสมบัติซึ่งการกัน เราอยากได้ของโน้โดยอำนาจโลกมากใช่หรือไม่ถ้าเรามีสติสชั้นปัญญาดีแล้วนะโดยเอาจิตมีสิลนประจําจิตมีสิ้นก็คือมีสติกําหนดคิดหนอคิดหนอแล้วก็เสียใจหนอโกรธหนอไปต่อน้วมีสติเป็นกปกติด้วยการกําหนดจิตเนี่ยเป็นแปลว่าหมายความว่ามีสิ้นประจําแล้วอยู่ที่ใจ สิงอยู่ที่จิแกน่ยนั้นมาสิงสยก่ทจิแล้วท่านจะมีแต่ความสุขท่านจะมีแต่ความเจริญจะ ร, รุ่งเรืองวัฒนาตะทาพรตลอดชีวิตสามเณรเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพระเจ้าสอนง่ายแต่าหายากให้มาเพ่งทานบำเพ็ญศีลบำเพ็ญจิตบภาวนาแตเหตุได้แล้วให้มาเพ่งทานทํำไมต้องรักสิงก่อนก็ถวายทาน พอเราตั้งใจเจตนาแล้วผือทานตั้งใจว่าจะมาถวายผ้าใยถวายเครื่องกับปริวาลังหรือถวายช่างฐานพอตั้งใจแล้วก็ได้บุญแล้วนะทำด้วยความตั้งใจได้บุญแน่นอนยังไม่ถวายพระสงฆ์องค์เจ้ายังไม่ได้ให้ทานเพียงแต่ตั้งใจว่าจะให้ฐานตา้งใจจะทําบุญต่างใจจะสร้างกุศลให้กต่เกิดด้วยความตั้งใจจริงเช่นนี้แล้ว แล้วก็เกิดความสุขสบายอกสบายใจสมัยพุทธกาลนามาแล้าตั้งใจจะทอดกระถินแต่ยังไม่จะถอดสบายอกสบายใจตั้งใจจะถวายพระปาแล้วก็ทอดกรถินด้วยดีอกดีใจนี่ยกตัวอย่างให้เห็นสมัยพุทธกาลได้บุญแล้วยังไม่ถอดยังไม่จะทอดกระถิ่นทอดปาจะได้บุญต่อไหนเพราะตั้งใจจะทําบุญ บุญก็มาเนี่ยก็เกิดความสุขในบ้านของเราเองสา ม, มีภรรยาก็ไม่ทะเลาะวิวาดการทอดท่านใจทมบุญบุญตัวนี้แต่ว่าความสุขที่เรามีสินัา น, นคือกำหนดสิทธินั่นเองพอสติดีเนะี่ยสินก็มาเกิดขึ้นทานการกุศลการจะได้มีกมังแมตทาอยากจะช่วยคนน้องอยากจะช่วยคนนี้ตลอดเลยทานนี่คือสีอาจารวะ เพราะฉะนั้นพรพุทาบอกให้ทานบำเพ็ญทานไปก่อนทานาที่เราตั้งใจที่จะทําแต่ยังไม่ได้ให้ยังไม่สวรรค์ก็ได้บุญแล้วมาสมัยพุทธกาลนั่นต่างใจจะเข้ากระถิ่นต่างใจจะเท่อป่ากแล้วมาตายใช่ตายยังไปสวรรค์เพราะบุญกุศลติดอยู่ที่จิตใจของท่านก็ท่านทําบุญก็เกิดความสุขมีความสุขเลมีแต่วันหนึ่งคิดว่า มาอะไรจะถึงวันเกษมแต่ก็ได้บุญแล้วร้อยเปอร์เซนต์เที่เราตั้งใจเนี่ยสําคัญมากเพราะฉะนั้นทําอะไรทําดูความตั้งใจหน่อยจะทําบุญทําอะไรอย่าแหมะแทงใจอย่าทําโดยเสียไม่ได้โดยถวายปัดใจแล้วก็เสียดายหรือถวายแล้วก็ไม่สบายใจถวายแล้วก็มีแต่ความทุกข์ความสุก ข, ขไม่ได้ฉันอย่าทําเลยสันจะบริจาคทานเนี่า บำเพ็ญทานในสังฆทานจะประทานได้ก็ปิดใจไม่ดีปิดใจท่านไม่กปกติก็ไม่มีศีลก็จะนั่งเวลาจะถวายจึงรับศีลอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ความมั่นใจปรัชนาศีลรับศีลเสร็จแล้วก็ถวายทานทานของท่านจับประเสริฐที่สุดเขามีสติย้ำอยู่เสมอย้ำให้เรามีปัญญาจะทําอะไรทําด้วยปัญญาทําด้วยการแก้ปัญหาสมปรารถนาในความตกนั่นคือบุญ ในการบุญในการบุญเกิดขึ้นกับทวงท่านเองโดยเฉพาะเพราะาฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายทํำในทำด้วยความตั้งใจได้แน่นอนยังไม่ทันจะถึงเวลาที่จะไปถวายเราคิดถึงบุญแล้วโอ้เราเตรียมไว้ของพาวของมากมายจะถวายทานถวายพัดอาหารจาะตองเพียงตั้งกใจสติก็ดีและมีความสุขความสุขนั่นคือบุญแท้แท การศัดนั้นแน่นอนไม่ผันแปรไม่กลับกลอกไม่หลอกลวงใครก็เ ร, เราตั้งใจทําบุญสามีภรรยาพอเจริญพรจะทําบุญก็ปรึกษากันนะไม่ใช่เลยภรรยามาวัดรักเงินสามีมาทําบุญโยมจะไม่ได้บุญเลยนะแต่ได้แต่ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยถ้าบอกกันเราทํามาหาได้ด้วยกันแล้วนะ่ะถ้าจบถึงจบทางนี่กัน สาธุผัดกาอนุโมูนามใหม่บุญจำเด็ดโดยการอนุโมูชนาโยมจะมีความสุขในครอบครัวสามีภรรยาทําอะไรก็ปรึกษาลองดองกันเหมือนญาติน้องในครอบครัวเป็นพี่เป็นน้องกันลองดองซึ่งกันและกันทําอะไรก็อ่าอ่าปรึกษาหาอื่นกันอาจะทําบุญเหลือสามีก็อนุโมูนาสามีาะทำบุญภรรยาก็อนุโมูนาเพราะได้บุญร่วมกันจบร่วมกันร่วมกัน ชีวิตท่านจะในครอบครัวท่านจะราบรื่นชีวิตท่านจะชื่นบานจะไม่มีแหนแข่งใจจะไม่มีกระบอนก็แบ่งก็ตอนกระแต่งจะประการได้น้ําไสไหลไม่ขาดสายสว่างขาดได้ดยอย่างไรต้อง ม, มีขาดสายด้วยการใจบุญทุนฐานใจบุญทําบุญแล้วก็สุนทานให้ทานด้วยถ้าให้ทั้งบุญให้ทั้งทานให้ทั้งการกุศลกุศลตัวนี้แปลว่าทําด้วยความตั้งใจ ไม่แต่ทำโดยเสียไม่ได้อตมาจึงไม่ดอกบุญญาติโยมไม่พินทองแน่นอนอตมานี่ยกตัวอย่างให้เห็นว่าอตมาเนี่ยบอกบุญโยมเนี่ยโยมก็ราไม่ได้รู้ตัวคิดว่าอหลวงพ่อบอกบุญเมื่อไหร่หลวงพ่อมีบุญคุณกับเราทำาักหน่อยทําโดยเสียไม่ได้เลยก็ไม่ได้จางใจจังเม็ดจังหน่วยจัดการได้และโยมก็คงไม่ยู่บุญตามนะั้น อาตมาจึงไม่มีนายดบายที่แจกครองโยมบางทีวัดอื่นเขาอาครองมาให้อะมาสตางค์ข่เองแล้วจบถิ้ตจบทานไปแทนโยมจำแม่ขอเลยเอาไปเลี้ยลายญาติญาติโยมแน่นอนเพราะตั้งแต่ตั้งใจแล้วจะไม่เลี่ยไใครแต่ท่านผู้ทําบุญนั้นถึงหากว่าไม่มีใครเลี้ยไรแต่เจตนาทั้งพิโก เ, เวตมังวาตามิเจตนาเป็นตัวกรรมการกระทําเป็นตัวบุญถ้าจะได้บุญร้อยเ็นเนี่ย ทำด้วยศรัทธาทำด้วยความเชื่อทำด้วยความเลื่อมใสอันชัดเจนนะมันอยาอาตมาเนี่ยเจ้าอะไรไปฝากใครเอาไปให้ใครมันชื่นใจตลอดเลยการว่าจะไปบ้านใครต้องของไปฝากตอนทีโยมเนี่ยเขาแฝงเน้่ยก็อยากจะใช้ทานอย่าลมบ้างก็อลมอย่าล้มไปให้ของที่ถูกใจจะได้แม่แน่นอนถ้าเราอยากให้ เราอยากให้อยากทำอยากการกระทำของเราเป็นบุญนั่ น, นคือความสุขการเจริญเรื่องเรืองเรืองของชีวิตใช่หรือไม่ญาติโยมทั้งหลายที่มาเจริญกรรมาฐานต้องการให้มีความสุขในใจิตใจไม่ต้องการให้ทุกข์กายทุกข์ใจญาติทุกเป็นว่าจิตใจจะประการใดจเจริญกรรมาฐานต้องการความสุขทิตใจนั้นจิตใจดีจิตใจมีปัญญาจะได้แก้ไขปัญหาได้จิตใจไม่ดีแล้ว ไม่ตกปฏีขาดินสินไม่มีกระท่านเพราะท่านไม่มีสติทําอะไรจะเป็นบุญไหมจะเป็นกุศลไหมไม่เป็นแน่นอนจะไม่เป็นบุญไม่เป็นกุศลแปรการได้คนที่มีบุญวัสนานานจะต้องมีกระจัทนทร์รู้ตะเวนิตาถามอีกด้วยก็จะเป็นคนชุบชาพโคนอ่อนโยนอ่อนหวานตลอดเลยการและเป็นคนเชสียสละได้โดยไม่หวังผลตอบแทน และเป็นบุคคลที่ชื่อสัตวสุจริตเป็นขยันประหยัดให้มากทันหลังให้อบายคนนั้นใจก็ชื่อมือก็สะอาดทําะไรเกี่ยวขาดเป็นธรรมมืประโยชน์จากการกระทำของท่านมากเพราะการทํากรรมาฐานท่านจะไปหวังให้มันยาวสว่างนิงพพา น, ว า, นวางพื้นฐานชีวิตเราเนี่ยวางพื้นฐานให้มีศีลได้ไหมให้มีสมาธิให้มีปัญญา กายขาสามครบเหมือนอย่างพระนวกกาศที่ฉันบวชท่านตรงการกายิขาครบตลอดพรรษาสามตัวเนี่ยศีลสมาธิปัญญาทั้งให้คนมีหน้ามีตาทํำให้คนมีราคาทําให้คนนั้นมีความสุขตลอดไปจนทุกวิชาไม่อย่างนี้สําคัญมากบางคนไม่เข้าใจถวายสังฆทานเยอะจะไม่รู้ว่าสังฆทานเป็นอย่างไรไม่ได้เจาะตรงจับการได้จะให้ใครเหรอ ไม่อยาถาวายหลวงพ่อเอาครองเอาถาวถายเอายเป็นอัจฉริยะใสถาวายส่วนตัวก็ตามแต่ต่ามาเนี่ยจะใช่หมดถ้าที่เป็นประโยชน์กิจกรรมของสมต้องเป็นประโยชน์ต่อประชาชนนี่คือศรีศรีเนี่ยถ้าหากว่าท่านผู้ใดมีสติจํากัดจิตท่าจะมีปัญญาทาอะไรก็ให้เกิดปัญญาใช้ปัญญาก่อนคิดก่อนใช้เวลาที่มีประโยชน์ต่อชีวิตในกิจประจำวันและท่านทําไปเถอะ จะไปค้าขายผธุรกิจท่านจะรวยนะรวยเจ้นี้มาจากความสุขมาจากความเจริญทา ง, งจิตใจทางจิตใจโยมให้ดีเนะนี่ยขาดสติขาดศีลขาดความเ ป, ป, ป็นปกติเนี่ยรวยไม่ได้จะไม่รวยเลยคนรวยนะนะั่นเนาะไม่ใช่คนเห็นแต่ตัวนะคนที่มีสติสัมปชัญญะเป็นคนไม่เอารัดเอาเปรียบใครเป็นคนอยากจะให้อยากจะช่วยตลอดไปชีวิตเขาจึงรุ่งเรือง ชีวิตเขาจึงมีความสุขความเจริญด้วยปัญญาลูกก้าวดีหมดทั้งตระกูลมีลูกสามคนดีหมดสามคนมีลูกห้าคนดีหมดห้าคนแตหาว่าเป็นกระบอนกระแบงกระตอนกระแกงแล้วมันมีลูกทั้งดีทั้งไมด่ดีดีบ้างไม่ดีบ้างไปจนหรือ ม, มันคนละอย่างกาันไม่เหมือนกอันเราที่กล่าวแล้วขึ้นอดียวกันการเจริญกรรมาฐานจะมีประโยชน์ต่อชีวิตกิจกรรมวันมาก ไม่ต้องการเป็นไปรับสินที่วัดโนนออกสินที่วัดนี้อะไรทํานองนี้ไปต้นถ้าเราไม่สติควบคุมติดติดเป็นหัวหน้าอยากอันยิ่งใหญ่ควบคุมหางเสือเรือไปตรงที่หมายอย่างที่ธรรมาสเ อ, อเปรียบเทียบโยมฟังมาหลายทุกประทะว่าเราเนี่ยนาวาเรือเราเนี่ยคือต้องมีกับการต้นหนต้องก่นปากเรือไปในล่องจักร นเนี่ยถึงจะไปได้ถึงสุขความเจริญรุ่งเรืองต้องมีเข็มคิดเข็มขางไม่ใช่ไปส่งเดชไม่จะทำอะไรก็ทำส่งเดชไม่มีสติทำไม่มีปัญญาชีวิตทาจะรุ่งเรืองไหมทางบริษัทขายของทำส่งเดชไม่มีเหตุมีผลทารจะเจริญไหมท่านจะได้กำไรชีวิตไหมชีวิตขาดทุนมาาืไร่ค้าขายก็ขาดทุนด้วย ถ้าชีวิตเราดีแนะล้วรุ่งเรืองในจิตใจแล้แวจะหยิบอะไรก็มาเป็นเงินเป็นทองหมดค้าขายก็ร่ารวยเห็นทันตาออกมาอย่างนี้ชัดเจนคนที่ลายฉิมได้ทำคือจะทำไม่ดีแล้วกว็ความสุขความเจริญในชีวิตมันดีจะทําอะไรก็ไม่ได้ผลนะไงเมื่อไม่ได้ผลขึ้นมาเนี่ยก็เสียใจขาดทุนแล้วขาดทุนชีวิตของเราที่อยู่มา อยู่ด้วยความขัดถึงไม่จะอยู่ด้วยกำไรจะประการใดชีวิตนี้จะหาประโยชน์อันใดเล่าถ้โยมมาทุกวัน้ากอโตรคิดตรงนี้เนะี่ยเรามาเจริญสัจธรรมฐานเนี่ยต้องกามมีใจศึกษาสามครบถ้ายมพิจารณาทั้งนี้จะครบเลยวะศินคือสติสามอัญญะบวกคำวกบวกกันก็ได้เป็นตัวปัญญาคือสมาธิภาวนาน ภาวนาให้เกิดปัญญาต้องประกอบด้วยสติฉัมปภัญญะต้องมีสมาธิอย่างเดียวไม่ได้ขาดสติขาดฉัมภิญญะเดี๋ยวจะเพี้ยนไปกลากจะเห่เล่ไปทางไหนไม่ทางตรงตรงที่หมายเรือก็หมุนอยู่กลางทะเ ล, ากกลขาดกั้นต้นหนขาดสติฉัมปภิญญะแล้วมีแต่สมาธิสติไม่มีต้องถอยสมาธิต่อมาสติป็นญาติผู้ปัญ อาสติยัดเข้าไปแล้วท่านจะรู้เลยว่าทนตัวช่านคือะอะไรภาวนาที่อย่างเดียวไม่ได้คาสมาธิเร่งานงั่งบุบนั่นะบางทีนั่งบุบของหนอลุกหนอยุบลงไปแล้วบุนนบลงไปแล้วไม่สช่ยานขึ้นนะสมาธิดีขาสติให้มื่อขาสติเอาสติยัดเอาถอยสมาธิออกเอาสมาธิออกเอาสติยัดเข้าไปท่านจะรู้ตัวทันที ท่านจะไม่โง้อนะท่านจะไม่โง้อีกต่อไปตรงนี้นักปฏิบัติไม่ได้สนใจตรงนี้เลยโง้อเลยบางคือ้ครูบาอาจารย์ก็บอกว่ายานขึ้นแล้วยานขึ้นยานขึ้นอะไรคาสติถ้าไม่ขาสติก็ง่วงง่วงหลับบูบลงไปนี่สมาธิมันแรงแต่ไม่มีสติถอยสมาธิออกถอสมาธิ อาสติยัดโดยวิธียังไงโดยวิธียังไงถ้าเรา ม, มีสมาธิมากมันง่วงนางการมฐานเนี่ยง่วงตลอดสมาธิแรงมากนางพักตจริงเนลยแต่ไม่มีสติมันคอยจะบูบ ม, มันคอยจะง่วงตลอดเวลาเพราะฉะนั้นขอสมาธิออกเอาสติยัดวิธีทําทําอย่างไร วิธีทําทำอย่างไรท่านผู้น้าปฏิบัติกรรมฐ า, านจะทำอย่างไรมาเทีหน้าพระสมาธิมาแล้ววิวแหละวิวแล้วงูคอาอยากง่วงอยากหลกับตาไม่หลับลืมตานี่สมาธิแรงขาดสติขาดศิ่งไม่แต่สมาธิศิ่งไม่มีแัญญาจะเกิดไหมปัญญาจะเกิดไห ม, ญญ ไ, หมไม่เกิดวิธีทํากําหนดรูหนอตรงนี้รูหนอ ลู่หนอก็ว่าตอนสมาธิมันมากเนี่ยมันไม่รู้ตัวนะมันมงูกไม่รู้ตัวนะขอฝากไว้แล้วงูกตอนทองนั่นตอนรู้ตัวไม่รู้ไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นจึงต้องกําหนดว่าลู่หนอลู่การจะทาพความเป็นจริงของชีวิตคือลู่นามพันห้าเป็นอารมณ์กำหนดให้ยใจยาวๆแล้วกําหนดลู่หนอลู่หนอนี่เรียกว่าขอให้สมาธิออกอาสติย้ายเข้าไปพอสติยัดเข้าไปปัญญาเกิดทันที พอาหายเนงไม่งุ่นปัญญาจะบอกเลยว่าเราได้อะไรที่เราลืมไปแล้วตั้งหลายปีคิดออกหมดคิดออกหมดเทอะไรเท่าว่าสิ่งวัดล้อมในหัวใจมันออกไปหมดจิตจะใสทําให้จิต ใ, ใสขยายปัญญาเล่นรับในหัวใจก็ออกบอกให้เรารู้ด่าชัดเจนตรงนีข้ขอบอกผู้ปฏิบัติด้วยไม่เคยทํากันเลย บาทีงูกมาไปบางทีครูบาอาจารย์วัดไหนก็ไม่ทากโบอกยานขึ้นแล้วยานขึ้นแล้วปล่อยเลยขาสติไหมขาการกำหนดจำไหมนเมื่อขาการกำหนดเนี่ยอัจจะเสียดายนียทําไม่ได้อะไรลองถอยสมาธิออกด้วยการเอาสติยัดก็คือให้แต่ยาวๆกำหนดลู่หนอลู่หนอเดี๋ยวความรู้นั้นเกิดปัญญา หลอดรู้ในกองการทั้งฐานอ่านตัวออกบอกตัวได้ใช่ตัวเป็นที่เห็นชัดเจนออกมาอยาู่บางคนปล่อยเลยเนื้องก็ปล่อยเลยและกองบางทีก็หลับไปอย่งเนี้ยหลับไปเราไปตามเรื่องไม่ได้อ่ะท่าคาสติไม่ได้ขาดสินไม่มีเลยเผลอหลับเผลอแล้วก็กลายเป็นอย่างๆๆอื่นเพี้ยนไปเลยไม่มีมิตเลย เห็นแต่ยังไม่เห็นแต่ภูเขาเห็นนองเห็นี่กลับไปเห็นแฟนเก่าเข้ามาแหละแฟงเก่าข้างไหนก็ไม่รู้รนะบางคนมนเล่าให้กมาฟังบอกว่าพ่อฉันนั่งไปแฟนเก่าฉันเนี่ยยี่สิบปีแล้วไม่เจอกันนั่งกรรมาฐานเห็นเลยใช่ไหมเห็นหแฟนเก่าเห็นมาตอนเที่ยวกันที่ตรงซุ้มสะพานที่จะพานพุทธไอเอาเรื่องนั้นมาได้ยังไงเพี้ยนแหลกคาสติอย่างแรง อาสมาธิอย่างนี้เดี๋ยวก็เพียนเดี๋ย ว, วมันไ่ชาตั้เดี๋ย ว, วมัไม่ชาออมาชัดเจนข้อขนี้ขาดสติเนี่ยคนไร้สิ่ขาดความรู้ไม่เฉลียวฉลาดขาดธรรมสติไม่มีแน้วยท่า น, นจะมีสิ่ไหมท่านจะไปรับพระที่อยองท่านก็ไม่มีสิ่ปากรับได้แต่ใจไม่อยอมรับ ถ้าท่านทำเจริญกรรมฐ า, านกำหนดทุกอริยบทมีสติตลอดท่านมีชีวิตลอดชีวิตเกิดเครื่อนทางอยู่ดับไปท่านจะไปเห็นอะไรสักเดี๋ย ว, ว่าเกิดเคลื่อนดังดูดับไปเห็นเนาะเห็นคนสวยคนรวยสิ็คนโนคนค น, คนี้ก็คิดไปนานาประสาทคิดโวยสมาี่ไม่ได้ลูกนะมีสมาธิเดี๋ยวมันก็คิดแย่แย่ลูกระเพาเหมือนทองเนี่ยเป็นแท่งกรแทจากไปทำลูกประพันเป็นช่อทองอะ แต่กนถ้าเรามีปัญญาดูอิสติสทั้ปนปัญญาเนี่ยจะรู้เหตุผลต้อนใจของตัวเองเนีย่ยเราจะไม่คิดเรื่องอดีตที่ผ่านมาอาดีตต้องปล่อยไปแล้วเราก็ไม่กล้าลบเรื่องนั้นต่อมาแต่ผู้ปฏิบัติสมาทานขาสติจนเนี่ยจะกล้าลบเรื่องเก่าบางคนเขียนหนังสือมาให้เราอาตมายาวต้องหลายาหน้ากระดาษต้งคิดเกิดอา่านอ่านเนะนี่ยไรสาราทั้ง พอใครเจออย่างง่อนเกยอย่างนี้เป็นความจริงอย่างนั้นอย่างนั้นหลอกลวงตัวเองนี่สมาธิเพี้ยนํานี้สติยัดเข้าไปจนหลุดรู้หนอซะหน่อยใช่ไหมสื่อสติจเะรู้หนอรู้หนอให้ใจยาวๆก็คนที่ให้ยใจยาวเนี่ยอารมณ์จะเย็นลงทันทีหายใจช้านี่อารมณ์ร้อนร้อนยังไม่พอโมโหโธโธ่ต่ความเครียดยัมียาน ไห น, นมนาพาตามเครียดจมจิญญาณให้จมวิญหน้าจะดําทำหน้าจะไม่ขาวหากว่าเรามีสติสชั้นปัญญะดีนะหน้าตามันจะขาวโดยไม่ต้องลงพื้นมาแทนที่นะไม่ต้องเสียแป้งไม่ต้องเสียอะไรชื่อต้องเสียนิ้วขึงครางนะตัวงอเข่ า, นะงงขเขาใจไหยนะหลับเยียวเหรือนะ ไม่หลับออยังงั้นใช้ได้คนมีศีลมีธรรมไม่หลับจะมีสติตลอดในการกระทางอะไรก็มีเหตุมีผลสามารถจะคิดได้ปัจจุบันกรรมนั้นได้นี่ต้องเหตุใดเพราตัวเราปฏิบัติได้อย่างไรถ้าเรามีสติก็กอบด้วยสมาธิด้วยแล้วมีวิริยะอุสาหพยายามไปตามลมหายใจ หายใจเข้าพองหายใจออยกยุกตลอการอย่าให้เสียเวลาไปเปหลาาอย่าให้ใจสิ้นแต่ทาไมเปล่าเพราะฉะนั้ น, นาปฏิบัติจะอยู่ในข่าได้ประจามแองยกมันมีอยู่แล้วเราก็หายใจเอาสักตึงยานข้นไปพองหนอยกหนอได้ขนาดโยมจะได้กําไรตลอด้ายในเจ็ดวันได้กําไรเนี่ยไม่ขาดทุนเลยเราอยากขายนา้ํา ลงดินใจเปล่าเขาก็เสงก็ท้องรองข้าเสีด้น้ําไปรถต้นไม้หรือยาไปใช้อะไรก็ยังมีประโยชน์กว่าที่จะต้องน้ําไหลลงดินแบบเปล่าเหมือนหายใจไม่มีสติขาดสติล่อยหายใจไปตรงตรงเด็ดขาดท่านทั้งหลายจะขับรถ อ, อะไรเราก็หายใจเข้าออกอยู่แล้วสติไว้มีสติหายใจเข้าออกหายใจ ย, ย, ยาวๆไว้จะไปขับรถหรไปอะไรอารมณ์ก็จะดีขึ้น ไหนวาลมดูแล้วอาใจก็จเย็นขับรถจงไม่จมากเลยนะจะไม่มีความประมาทไม่ต้องไปคล้องคาถาเลยนะมองผีได้เผลอขับรถและเมอเมอที่ถึงจะแปลงเก่ามาจากไหนที่เขไม่รู้เลยรดเรยเียงลงท่อนมาขามแค่ ก, ก็ลงถนนไปเลยฮนะอะไรจะช่วยเราได้ถึงนี่แหละตัวเดียวเนี่ยมีประโยชน์มาก สมาธิเป็นตัวหลักถึงเป็นตัวบริการสมาธิเป็นตัวปกครองและบริหารบริการข้ายทั้งหมดก็คือตัวต้นคือ ต, ตัวกลาง ต, ตัวตัวปลายตัวตัวต้นคือระลึกก่อนว่าอะไรเนี่ยระลึกก่อนทีต่ตัวกลางคือสมัมมาชัญญาปาัฏฐาคือความรู้รู้ในปัญญารู้ในเหตุทุก่อน โลกสิ่งซึ่งมีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ถ้าตีตัวกลายเรียกว่าเขวมไม่สมานแต่ว่าตัวปัญญาลองดูในรองการทั้งฐางนชะั้มฐานเนี่ยขอผู้ปฏิบัติให้รับรู้ว่าตัวสติมีสามตัวก็ตีตัวต้นก็คือตัวกลางทีตัวปลายถ้าใช่ทาส่งเดชแล้วมันมีเหตุมีผลถ้าท่านจะน่าอะไรหรือลองมาวิจัยวิจาร ก, กันบ้างในคำนองนี้ถ้าจะไม่เสียชีึ้นมาเจริญกรรมาฐานหายใจมีประโยชน์มาก หายใจ ย, ย, ยาวๆไว้ปอดดีนะเพรคนหายใจชา้าปอเปิดเสียงหมดนะกลายเป็นโรคหืดระคออบเยอก็หอบแล้วก็หอบพราะคนที่เป็นหืดรอบเนี่ยอาตมาเนี่ยหลายคนแล้วเื่ออาตมาไหมหายใจ ย, ย, ยาวๆไว้เวลาปธิบัติหายใจ ย, ย, ยาวๆไ ว, ยยวไ้เวลาหืดมันจะมาหน้าฝนหน้าฝนเราก็หายใจอย่างนั้นเลยนะเข้าโลกคหืดหายไปเลยพอก็ดีขึ้น เพราะนี่แต่หากว่าเราไม่เคยฝึกมาก่อนเลยแต่เป็นหืดจะมาหายใจยาวไม่ใช่หรอกหายใจยาวจะหายใจไม่ขัดกระจายเอาคือกระทายอต้องฝึกกอนก่อนที่มันจะเป็นห mm. ืดก่อนที่มันจะหายใจช่างๆหายใจช่างๆช่างตายปุ๊บตายไปเลยตายไปเลยบางคนเป็นโรคหืใจ่าบางคนเป็นโรคหืใจสายหัยหจ่ติด แน่มาออกหาใจ ม, มาออกกาเคิรปฏิบัติกรรมฐ า, านมาก่อนไอ้เลือดที่วัดนั้นติดเนี่ยมันจะคลุ้งไปเลยนะคำหลอดกต็ตรงนั้นหน่อยไนหะแน่หนอมอเน่หมอก็เอาไปที่หุ่ใจ่ายรับรองเดี๋ยวเ ส, นนออส้นที่มันติดมันจะกรงออกไปกันทีมีหายหลายคนเนะี่ยตือเป็นโรคหุ่ใจ่ยายมันนั่งปฏิบัติกรรมฐ า, านบอกว่าหมอหน า, า่าจะพาเส้นหุ่ใจแต่ก็เคลียร์หน่อย เ ต, ต้องมาเซ็นชื่อด้วยหมอไม่รับรองว่าจะหายเพาะหมออยากให้หายนะแต่นนั้นกรา ม, มาฐานห า, หายหลายคนหายจ ะ, ะยาวๆวาทำให้เราระลึกเหตุการณ์ได้ยาวไม่ใช่ระลึกแค่หัวบรรดาศัหายจะช้าๆมันไม่เกิดประโยชน์เลยห้ยจ ะ, ะยาวๆวะเราจะได้รู้เหตุการณ์ในชีวิตน่าจะยังอยู่ทำให้เรามีความรู้เข้าใจในชีวิตของเราเอง เดินย si ja, right, ืนหนอห้าครั Senhor, not, ้งอย่าไปดูที่เลนให้จายเอาเลยยืนหนอลไปอยากไปดูที่ตจมูกลองค้นแม่เขาใจไปดูที่ตจมูกดูลมให้จายแล้วก็บองยืนหนอเลยที่ยืนตรงนี้ก็ไม่มีสติเะสติที่กาหนดนี่ไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยอย่าไปดูลมให้จายดูลมให้จายได้มีทางเดียวคือทองหน่อลุกหนอให้ใหญ่ให้ยาวไว คงที่ทองทองหนอยังไม่ชันหนอยกย่ะพอยกยังไม่ชัดหนอไม่ก็พองอ่ะไม่ได้เลยเลยเลยกับพองยกทองยกหายใให้ยาวไว้ก็ต้องเหนื่อยหน่อยนะทําอะไรมันต้องยากของดีมันต้องยากไม่จะคงอ่ะทำยากให้ยากหาเรายาวๆก็ไปแล้วพองหนอยุกหน่จะชัดเจนขึ้นมันจะทองที่ปากพองหนอยุกหน่ปากใแทบว่าด้ แต่ไม่ได้เลยเลยนะนี่แหละกายขาสามจะพดไม่จําก็ไปรับสิ่ที่วัดโน้ไปรับสิงสิ่ก็คือสตินั่นเองตะคุณขาดสติสชั่งบัญญะติจะมีสิ่ได้ไหมถ้ามีสิ่งนตะีเนมมี่ยสมาชีก็เกิดตั้งใจจับจุดระวังทุระในหนาทีเช่นเวทนาเกิดมีเวทนาอยู่สามอย่างสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์มันก็เป็นเบ็ขาวเวทนา ก็กำหนดปวดหนอปวดหนอชาชากำหนดไปชาชาก็ตึยืมไหมดื้อยืงปวดหนักเป็นการศึกษาหาชีวิตที่อดทนวันอย่างาเวทนาแยกออกไปพอแยกออกไปได้แล้วรับรองเลยเวทนาหายไปได้ศึกไม่ติด ก, กังวลที่ก็กลับมากำหนดที่พองหนอยุบหนอต่อไปการปฏิบัตินี้อย่างนี้เท่านั้นแต่การปฏิบัตินี้นะ่ะ ฉันไม่เหมือนกันทุกคนแภาวะไม่เหมือนกันชอบโผล่แห่งกรรมมีไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นจะไลเอาข้องคนโน่นไม่ได้พวกนี้ไม่ได้ต่างโคนต่างต่างใจทำในกรรมด้ความต่างใจเดินตรงเป็นหนึ่งขะโมงต้ให้ถึงเดินนึ่งมันคือจ้องงงเดินงงสายปลายสายมาอย่าหยุดยานตั้งสถิให้ได้พราะตั้งสถิได้เดินตรงเลยตรงนี้เรื่องข้าคัญมากมันคือเดินจบความเลิกหละเลิกบอกเดินไม่ได้ มันมีอะไรที่เดินไม่ได้บางคนเนี่ยเป็นอมพาตะเดินกระเซยทายเซยมากำหนดใจเพราะสติดีอยากมาธิดีเอามาซื้อขายไปเยอะไอ้ที่มือหนีเนี่ยาหายไปเยอะมื อ, อก็หายดาดเยอะแต่ทําได้ไหมทากันไม่อยากฉลาดมีสติอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันจะไม่พลาดจะไม่สมาร์ทนะทําอะไรก็ไม่พลาดสร้างเจ็จะการได้ผมีประโยชนําหรับผู้ปฏิบัติทำงนานผู้ไม่ปฏิบตัติจะรู้ได้ยังไง แล้วอารมณ์ก็ร้อนหายใจชาเยอารมณ์ร้อนแขนงตึงตัวไม่กปกติเรื่อยเราขอฝากญาติโยมแม่ปว่ผู้ปฏิบัติกรรมาฐานแาว่าสมาธิมันมันแรงนั่งอะไรมันจมว่างมันจะพุ่ลงไปตรงนี้ข อ, ห อ, หอหให้สมาธิโดยสารกําหนดวันรู้หนอรู้หนอกําหนดใหายใจยาวๆไว้รับรองเดี๋ยวจะมีปัญญาเกิดทันที ก็นั่งกรรมาฐานไม่เหมือนกันทุกครั้งนั่งครั้งหนึ่งก็ไม่เหมือนมันก็เกิดไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าท้อถอยพยายามนั่งต่อไปอย่างนี้ไม่เกิดอย่างอื่นมันก็เกิดปวดเมื่อยเวทนาจิกออกต้องหลายครั้งต่านั่งหนึ่งชั่วโมงนั่นแหละครูมาสอนเนี่ยให้เรารู้เข้าใจในตัวเรามีเวทนานมากเท่าไหร่นากนาดีเท่านั้น เราจะได้รู้ว่าเวิชนาเกิดขึ้นเวลาจะเสจ็จป่วยป่วยไจะได้ไม่ต้องทรมานเรามีสติขัรรมมจัญญะสิงฆสมาธิปัรรญญาครบไม่เคยเพื่อนตายอยู่ตรงนี้บางคนมาถามน่งกรรมฐานเมื่อไหร่เวลาตายจะทําำยังไงครับอะไรมากําหนดพอา ก, กาหนดกรรมฐา น, นไปยังไง น, นะมันไม่สบายใจก็กําหนดมันปวดตรงไหนก็กําหนดอย่างที่เรานั่งกรรมฐานเท่านั้นเองนะ ถ้ามันก็แคร์ขายยาเฉพาะตัวเองที่นั่งได้การฝึกถ้าเราไม่ฝึกเนี่ยถึงเวลาขึ้นมาเราต้องไปผ่าท้องหรวยาเราต้องมีเวทนาอย่างแขนสาหัสเราจะได้คู่เราในปเราจะได้กําหน ด, ดือไม่ดีอาจจะโลกหายเนี่ยในการเดินตรงๆๆๆกรมไปจนเพราะฉะนั้นเดินตรงกรมเนี่ยอย่าเลิกก่อนจะนั่งต้องเดินจงกรมโยมกลับไปบ้านเนี่ยไม่เดินใช่ละเอาไปนัง่งแนั่งก็ไม่ละเอียดกำหนด มีงานมากมายต้องคนเราเนี่ยงานมากมายเยอะแยะแต่กรรมาฐานเจวนาศิษย์งานเราต้องกำหนดไปเรื่อยๆจะไปไหนว่ากำหนดหน่าเชื่อก า, านถ้าเรามีสติทั้งปัญญะศินธรรมาที่ปัญญาเกิดขึ้นในเราหน้าชื่อการีที่กิดขึ้นการงานจะไม่เสียเลยการงานจะเป็นกปกติทําอะไรก็ไม่ขาดทุนชีวิตนี้ก็จะได้ทราบว่าเราได้กำไรชีวิตแน่ แม้จะคนขาดทุนอย่างแน่นอนทําอะไรก็ไม่พลาดไม่ผิดชีวิตนี้ก็ไม่แรงแค้มีแปลนมีแผนถังทำอะไรก็เดินตรงตรงขึ้นไม้ตลอดเลการจะไม่มีความประมาทาสร้างแต่ประการใดจะไม่หาเรื่องกระทำจะไม่ขอทะเลาะกับใครอีกต่อไปแล้วและจะไม่สร้างบาปกต่อไปไม่ให้ตัวเองเดือดร้อนใครแตประการใดที่ชัดเจนดังนั้นการปฏิบัติเนี่ยจึงยากมาก ไม่ใช่เรื่องไมงา่ายแต่แล้วเราก็ต้องพยายามําไปเลื่อยกลับไปบ้านก็ทำเพราะงานคือการงานที่เราทําดําเนินงานอยู่เนี่ยเราก็กําหนดกรรมฐานอาศัมมายธรรมชัญะไว้ตลอดรับรองใครอดมีสติธรรมชัญะตลอดในการัปัญญาถึงจะเกิดทําอะไรไม่ละมาดไมาฆ่าทางใจก็ไม่รอดใจเย็นคนใจเย็นเนี่ยกรร ม, มฐานทําให้คนใจเย็นได้ เย็นแลว้วก็รวมตัวเป็นสามัคคีกายสามัคคจิตอ้างสติไว้ตลอดเลการข้าแล้วเนี่ยน้ำจะละลายหมดโอกาสที่จะสามัคคีในจิตใจของเราได้ขาดความสามัคคีไม่มีปัญญาะแก้ไขปัญหาอย่างไรก็ไม่ให้มีใครให้ความยุ่งมมือแต่อการใดมีชัดเจนเพราะฉะนั้นการปฏิบัติการกรรมฐ า, านต้องการให้ใจเยน็นต้องการให้มีสติสัมชัญญะง่วงมันจะหายไป ง่วงเนี่ยมันคือเดินวงกลมแพทกระเซ่ง่วงมากอย่าเลิกสมาธิมันมากเดินใจก็ถอยสมาธิลู่หนอลู่หนอเอาเขาติยัดตั้งสติใหม่แล้วก็เดินใหม่นั่งง่วงจัดไม่รู้จะแก่ดียังไงกำหนดลู่หนอแล้วก็ยังไม่หายให้เดินวงกลมใหม่ไปเริ่มงตางตัวใหม่เดินวงกลมใหม่เดี๋ยวท่านก็หายเองการง่วงเหงาเหงานอนก็หาย มันเกิดจากหินมิระหรือเกิดจากอะไรหรือเกิดจากจิตใจที่เป็นกิเลสมาบางประการเราจะได้รู้การเดินตรงกรมเนี่ยสำคัญเหมือนกันแต่ในงานการปฏิบัติธรรมเนี่ยเกิเดเวทนาแล้วก็กำหนดจิตเป็นธรรมชาติเป็นคิดอ่านอนรมเนี่ยแล้วก็พูดซ้ากันมาอยู่ตรงนี้แต่ผู้ปฏิบัติไม่กําหนดปล่อยไปตามอันคือยาสารเสียงหมอก็ะตรมันจะมาคอย ฟังเสียงเสียงเนี่ยไม่อาจก็ไม่เท็ไม่บันทึกก็ตัดไปเลยขาดห้าลูกนามไปอารมณ์เสียงก้าหูเป็นอันเดียวกันไหมมันจะบอกชัดเจนมันคุลาอันแล้วจะไปทําไมถึงจะเอามาเอาเสียงมาไวเอามาบันทึกจิตทางสติทางปายยัญญะมีสิงสมาธิดีแล้วเสียงที่เลวร้ายนั้นจะไม่เข้ามานะมันจะออกไปเอง โดยโตัวนนูมาเสียงดีหรือเสียงไม่ดีมาตา่างเรากำหนดได้ไหมได้ได้ปัจจุบันไม่ได้ปัจจุบันอดีตไม่เอาอนาคตไม่เอาเอาปัจจุบันเสียงที่ไม่ดีมันจะไม่เข้ามาหาเราจะเข้ามาก็เสียงที่ดีเสียงบุญเสียงกุศลเสียงเข้ามาแล้วเกิดความสุขเกิดความเจริญในคริตนี้ถึงจะได้ผลเสียงเข้ามาแล้วทําให้เราใจไม่สบาย คนก็ด่ามางอะไรบ้างถ้าท่านหากว่าท่านกาหนดหน้าท่านมีปัญญาแต่จะไม่เอาเสียงอย่างนี้มาเลยนะในชี ว, วิตเราก็รุ่งเรียงเจริญรุ่งเรืองพัฒนาสถาพร้ด้วยการกระตันยูตัตวเวทิาทตาธรรมตอตัวเองโดยชัดเจนมากนิจฉนั้นท่านจะไม่ทราบเรื่องนี้เด้การจเจริญกรรมฐ า, านต้องรู้ตัวเองจะเข้าใจตัวเองนะจะแก้ไขปัญหาตัวเองไม่ต้องไปหามาดู พระสีบอกไม่ชัดเจนควรจะแก้อย่างไรปัญญาบอกเลยอย่าสมาดควรจะควรจะทำอย่างไรบ้างแก้ตรงไหนอย่างไรบอกว่าชัดเจนไม่ต้องไปปรึกษาใครเลยนะเพราว่าปรึกษาทุกคนไม่ได้หรอกสมมติว่าเราจะค้าขายอะไรดียกตัวอย่างให้เห็นเราไปถามคนที่เขาขายกาแฟรวยเขาก็บอกว่าชงกาแฟขายรวยแน่นอนแต่เราไปชงก็จะแพงเลยแพงเลยทําไม่แจ้ง คงไม่เจนคงไม่เจนถ้าเจงเลยเราจะไปตามเขาได้ไงคนที่เขาขายก่อดซาขายก่อดซาขายเครื่องกอด้านั่นเขาขายดีถ้าเราจะบอกเขาสึกขาเขาบอกขายเครื่องก่อดซาแต่แล้วไม่ถนัดล้วไปตามเขาก็เจงเนี่ยเจงเดียวกันเพราะฉะนั้นเราต้องตัดสินใจเอง การเจริญกรรมฐานเป็นการตัดสินใจด้วยกต้องโดยมีสติงประชัญะประจําอยู่แล้วพูดมาตอบได้เลยพูดมาตอบได้เลยถ้าเราไม่เตรียมตัวไว้ก่อนและไม่เคยฝึกก็ถามมาตอบไม่ได้ไม่รู้จะอะไรตอบนะต้องคิดก่อนเนี่ยเป็นการไม่ถูกต้อบหรืออาจจะว่าเขาถามมาเนี่ยเราไม่ถนัดเราก็กำหนดจิตสร้งางสติวิชกิจหนอ คิษหนอแล้วออกมาตอบไปเลยตอบไปเลยตอบไปเล ย, เลยก็ได้ผลก็จะตอบตรงกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นนบับปัดนี้นเนี่ยเพราะฉะนั้นตัวเราเนี่ยเป็นคนสร้างปัญหาสร้างแต่ปัญหาให้ยุ่งวุ่นวายตลอดในตาเพาะฉะนั้การเจริญธรรมฐานต้องการรักษาสมบัติมนุษย์ไว้ให้ได้มนุษย์คืออะไรมีศีลมีธรรมมีกายนามิตรมีกายนามธรรมรักษาสมบัติมนุษย์ไว้เท่านั้น ไปอาชาวันนิทานไปได้ง่ายไม่อยากนะทังคันมนุษย์นี้คือมีไม่พอและก็ความเป็นข้อบัตรมนุษย์ก็หาไม่ได้ไหนเลยเราจะไปชาวันได้ไหนเลยเราจะไปนิทานนิทานไม่อยากขัดขี้เหร่ได้ไหมขัดปัญหาได้ไหมกามมาลาทะขวะปัญหาวิขวะปัญหาเป็นต้นขัดได้แล้วมันก็ไปนิทานได้ขัดให้ไม่มีเชื่อ ในสื่อการเชื่อขายขึ้นมาอีกแล้วถึงกับใคมิผ่านานไาะไม่ใช่ขององ่ายแล้วมิจะของยากแต่คําว่าพื้นฐานของมนุษย์นี่คืออะไรจะมีได้เขียนจะยากากว่าอยากโยมกํานกหนดตลอดไปตรบไปมากไม่มีอะไรก็กําหนดมีอะไรกําหนดจะคิดอะไรกอกคิดหนอก่อนจะพูดอะไรคิดก่อนก็ามาก่อนจะพูดตาจาอะไรก็ให้มิสัจจะ มือเมตตาสจาัจจะเมตตาทั้งมดรียมีวินัยทำอะไรมันก็ได้มากนใ้ผลในการปฏิบททัติธรรมการที่กล่าวเลี้ยกขึ้นอยูกันเพราะฉะนั้นคนเราเนะี่ยคือจะมากล่าวสักครู่เนี่ยว่าหน้าที่การ ง, งานหนึ่งหน้าที่สองความดีสามความจริงส่ 4, เหตุผลมีสี่ประการมีหน้าที่ อ, อะไรข้าความดีไหม ความจริงใจเกิดไหมแล้วมีเหตุผลหรือเปล่าไม่มีเหตุผลเลยแล้วท่านจะได้ความจริงใจอะไรไม่มีหน้าที่ขาดสติธรรมะจัญญาเสียหน้าที่การงานก็เสียไปทาไม่ถูกหน้าที่ไม่รับผิดชอบคนที่รับผิดชอบเนี่ยจะมีหน้าที่ดีขอมีความดีเป็นประจําคือถึงจะมาที่ปัญญาสติธรรมะจัญญาด้วยการเจริญสติปัฏฐานสึ่อ แล้วก็มีความจริงใจสมาชิกถือเสมอชายก็สริงหญิงก็แท้เป็นมุกแต่ที่นั่นมีขาความจริงใจเนี่ยแสนจะยากไม่ควรจะมีกันเลยมีความจริงใจไหมมีความจริงใจก็เป็นคนมีเหตุผลแต่ความจริงใจไม่มีเหตุผลก็มไม่มีเหตุผลมไม่ได้เลยจะทําอะไรก็ไร้าสาระไร้าสาระบางคนเนี่ยจเจริญกุศลภาวนาแล้ว อาจจะเห็นความจริงใจขึ้นมาว่าความารักนาทีอาจจะรักนาทีของท่านคือทําอะไรอยู่ในบัด น, นี้นาที่การค้านาทีธุรกรรมน้าทีการจัดก า, ารอาจจะรัก ร, รัก น, กกนาที่มากขึ้นจะสนใจในหน้าทีขอตงตนจะให้ดีขึ้นให้จเจริญขึ้นแล้วความสนใจในความดมีมีความดีถึงไหนจะสนใจในความดีจะไม่สนใจความทั่วจะประการใดนอะ น, นั้นจากนั้นความมีเหตุมีผล มันจะเกิดขึ er <l Jean> ้น no กับนด้วยโัวัญญาเราพูดในกองการชั้นขานอ่านออกบอกหน้าแช็เป็นความเคารพหลักความจริงไม่สื่อการเนี่ยเคารพหลักความจริงไหมบางคนไม่รักเคารพหลักความจริงเลยเคารพแต่สิ่งที่เลวร้ายในสังคมทุกคนคนเราจึงเสียหายมากเสียหายมากคนที่มีอาจารย์ยูตเวทีนละเจริญกรรมฐานได้หนึ่งบํารุงบิดามารดา ก็ไม่ทิงพ่อทิ้งแม่แน่นอนจะเครารพปู่ใหญ่จะปูเครื่องตอนแล้วม่มแล้วเจนอาจาอ่อนหวา น, น, นงดงอมประการอยู่ทุกประการแล้วจะไม่พูดรูดร้ยองส่อเสียดให้ใครใครติดต่อไปแล้วก็ไม่ก้าเองอย่างแน่นงมงานช่วยเหลือค่้ยเหลือซึ่งกันและกันเรียกว่าทานตามเสียสละมันจะเกิดขึ้นกัตัวท่านเองจากเชื้อสายปุจจิณิทานยานประยัดให้มันหันหลังให้อบายแล้วก็จะให้โก ด, ดง่าย สามารถตางสติคงความโกรธไม่ได้ทันทีความโกรธนั้นจะไม่ฝังใจไปโกรธใครถึงขึ้นยังลูกมันยังขับิดต่อผันความโกรธก็ไม่มีขึ้นในตัวท่านเองโดยเฉพาะก็เกิดขึ้นในท่านเองมีความหมายอย่างนี้อานจะได้เป็นหัวหน้าทีดีซะหนักตัวเองหัวหน้าทีดีคืออะไรมีความรับผิดชอบสูงเพราะการเจริญกรรมฐ า, านเนี่ยทำให้เรารับผิดชอบตัวเองสูงขึ้นมีความสุดภาพสมบูรณ์ ทั้าอ่อนโดนและอ่อนหวานจิตมาพุ่งอย่เสมอมีความจริงใจและบริสุทธิ์ใจต่อหน้าที่และสังคมมีความเสมอต้งเสมอปลายไม่เป็นคนคนที่ขดาดตอนขัดแต่ประทำใดทําอะไรก็เสมอเจ้นานเสมอปลายไม่ละกล่ม า, า, าต่กระทำใดบอกไว้ชัดเจนมีความเห็นอกเห็นใจและเข้าใจกันระหว่างเพื่อร่วม ง, งานและเด็กผูก้ใหญจะเข้าใจกันได้ ถ้าปู่ได้ปฏิบัติกรรมฐานาด้วยกันกับผู้รู้เรื่องเนี่ยทาดกับผู้กันด้วยสติสัมปชัญญะคนที่ไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยไ้พูดในสยุ้งเรื่องเหมือนอย่างลูกเสียงพ่อแม่กล่าวเล่ากับพ่อแม่เป็นต้อนอย่างนั้นไอโดนะพ่อแม่ไม่มีธรรมะอีกแล้วก็ไปกันใหญ่เลยลูกก็ไม่มีคุณธรรมพ่อแม่ก็ไร่คุณธรรมเลยก็เลี้ยงกันไม่รอดไม่เป็นยอดดีไม่ได้ออกกันมิชัดเจนมากข อ, อข่าวท่านทั้งหลายไว้ด้วย ว่าามีความสุขุมรอบครอบเจริญสติถานสี่มีสติจะเป็นการการเจริญสุขุมการมีความสุขุมรอบครอบในภารกิจทั่วไปจะไม่เป็นคนอยากคายจประตามใดมีชัดเจนมากเป็นภารกิจทั่วไปจะรับผิดชอบสามารถแก้ไขคลี่คลายแก้ปัญหาชีวิตและปัญหาสังคมและเหตุเกิดเฉพาะนา เพเกิดเฉพาะนาสถานนาการปัจจุบันได้ชันทุ่งถือแก้ปัญหาแต่หน้าได้อดีตไม่เอานาพลดไม่เอ า, าจะเป็นคนอย่างนั้นจะสา ม, มารถแก้ปัญหาสถา น, นการณ์ได้ชันทุ่งถือไม่รอรีแต่ประการได้หนอกเหนือจากนั้นจะประกอบด้วยเมตตาธรรมคนรงานจะมีเมตตาธรรมตลอดเวลาต่อหน้าและลับหลังในเจคาของประชาชนคนทั่วไปจะรับผิดชอบ มีแม่ตาทมแล้วรับรองทั้งต่อหน้าและรับหลังจะไม่มีนินทาใจจะไม่พูดแหม่งแทงใจมายุแยงจะแทงแสะอีกต่อไปไม่ขึ้นห่วยหลวงเขาแน่นอนเนมื่อมีความหมายอย่างนั้นเพราะฉะนั้นท่านผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายจะขยันเฉพาะในหน้าที่การงานนอกหน้าที่จะไม่ขยันจะมีจะไม่สมาดติดต่อไปคือตัวระวังระวังในสมาด คือไม่ตำหนิทิ้งแยะทำอะไรจะไม่ผิดพลาดอีกต่อไปฉังจะมีผิดพลาด น, น้อยมากนอกเหนือจากนั้นมีปัญญารู้ทางเหตุผลที่จะแก้ไขปัญหาของเราเองโดยเฉพาะแล้วก็จัดการจัดงานเรียบร้อยจากการจัดงานเรียบร้อยเรียบร้อยยี่เนี่ ย, นยคนที่จัดการจัดงานเรียบร้อยแล้วก็เป็นคนที่มีสถิย์รอบคอบนั่นคือมีสินสะอาด กการที่ถ่ายสะดวกทุกประการที่พูดไว้เสมอมาจะ เ, เป็นคนจัดการยูต่อมิรามันดาต่อผู้มีอุปการและคุณอันสงก็จะเกิดขึ้นต่อกันนี้จากการเจริญธรรมาฐานกัรดูเนี่ยมีดังนี้หนึ่งทำให้รักษาคุณคว า, ามดีเดิมไม่ดะ้และทำให้สร้างคุณงามคว า, ามดีใหม่ได้หยบมากมายทาให้เกิดสติไม่ละมา ท, ท, ท, ำทำให้เกิดสติไม่จำาดทาให้เกิดวิโอตาะมีความเกรงกลัวบาปทิ่กริดิดติดขึ้นทำและทําให้เกิดขันติความอดทนทั้งกาง ล, าลำตลอดอดทนทั้งหนาวร้อนอดทนกับความเจ็บใจในสภลมใครว่าไงก็มไม่โกรธไม่เคืองขาดอดบทอันนี้ไปได้เลยเนี่ยทำให้เกิดขันติจากการการทำกรรมาฐานเรียกว่าอนนน า, านอิสงส์แห่งการกระทันดูของตัวเอง เทาให้เกิดใจผ่องใสมองโลกในแง่ดีมองโลกในแง่ดีก็คือหมายความว่าไม่มองคนในแง่ดีอย่าไปมองคนในแง่รายเพราะคนเราเนี่ยมีทั้งดีทั้งไม่ดีถึงดีชั่วตาใดมองคนในแง่ดีไว้เขาก็จะมองเราในแง่ดีถ้าเราไปมองเขาในแง่รายเขาจะมองแง่ลายกับเราถึงจะบอกว่าเขาล้ายมาจะร้ายกอนเขาไม่ดีมาแล้วออกความดีไปแก้ไขคนตาดีให้ของที่ต้องใจ คนพกดเลวหลายาความจริงใจไปโฉนหาอมมันชัดเจนนะคนทั้งหลายจะไม่มีเรื่องกับใครเลยจะอยู่โดดเดียเด่ยวเดี่ยงได้ไม่มีเรื่องเสียใจในทุดตลอดไปจะมีแต่ความดีใจความสุขความเจริญตลอดไปมีแหละไม่มองคนในแง่ที่ลายทําให้เป็นที่ชั้นเถื่อของคนทั่วไปมหมอกหรือจะงั้นทําให้คนอยากคบหาสมาคมมากมาย กงจะมีครบเป็นเพื่อนเป็นค so no? ู่คบแต่คนดีมีปัญญาอรรถเดชานทําให้มรุตจักรวาอยากช่วยหลือเหล้วก็ทําให้ไม่มีเวนไม่มีไทยก็ไทยไม่กองเวนกันแล้วเวนเน้อเวนกรรมเนอกรําเราเลิกกองเวนจองกรรมเวนชนะดุจการไม่กองเวนกรรมแห่แม่ตาอย่างเดียวเลิกกองเวนกองกรรมกรรมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมีความหมายทําให้ลากดลเกิดขึ้นได้ง่ายได้ เงนไหลนองทองไหมาต้องอ่ะเอวดาไปช่วยเราทขาให้บรรลุมรรคนมิตานได้สมบรารถนาทุกประการบางคนก็ไม่ทราบเหตุผลก็ข อ, อยาโยมไปแก้ปัญหาตัวเองปัญหามือเยอะเหลือเกนอย่าสร้างปัญหาเลยเอาแก้ปัญหาการเจริญกรรมาฐานเป็นการแก้ปัญหาไม่จะชาปัญหาทําให้ยุ่งตรงนางตุงเท่งตลอดเวลาหาความสุขในครอบครัวไม่ได้เลยโคบา้านกระท่อมเล็ก ของสังทองเงาะปากไม่ลดนายาใจอยู่ไปไรธนายังมีความสุขเพราะเขาเป็นผู้มีปัญญาคนที่มีมีปัญญานั่นจะมีความสุขคนที่ไรปัญญาไม่แต่สร้างความทุกข์หาความทุกข์ใส่ตัวเองความทุกข์อยู่ที่ไหนความทุกข์อยู่ที่ไหนตอบได้ทันทีก็ไอยู่ที่จิตใจของเราให้เอาทุกข์มาไว้อใ่ใจเอาไม่เอาทุกข์มาไว้ชีวิตแล้วใครจะคนแก่ได้จะไปหาโมดูมาแก้ ไปเอาผีธาตุของมาแก้ชีวิตเราได้ไหมเราต้องแก้ตัวเองนะต้องแก้ตัวเองเรามีปัญหาเกิดขึ้นแผ่เมตตาให้ศัตรูเป็นนิดเขาเป็นศัตรูกับเราก็จริงแหลแต่เพราะว่าเราไม่เป็นศัตรูกับเขาและแผ่เมตตาไปในไม่ชาศัตรูนั้นจะ ต, ต้องพูดกห้เราก่อนแต่ทั้งหลายลองดูนะมันเป็นศัตรูกันมานานเนะี่ย อาจจะครั้งพ่อแม่เนะี่ยลบลาฆ่าพันฆ่ากันตลอดมาถ้าเลาแพรเมตตาธรรมถานไปได้จิตใจก็มีความสุขคือไม่ฉาไทยไม่ริษยาไทยแล้วขอไทยหน้าปัดนี้เราก็มีความสุขน้อนก็หลับทำอะไรก็จเจริญรุ่งเรืองวัฒนารรมฐาพรเรียกว่าเมตตาธรรมนำสุข